ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกสุยี่สิบรูปมาประชุมกันสำคัญว่าพร้อมเพรียงจึงทํากรรมภิกสุอยู่ไกลสิบสองโยชพึงยังกรรมนั้นให้เสียได้เพราะการแบ่งพวกเป็นปัจจัยปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิษุ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 ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วยติก็ไม่ได้สวดกรรมวาจาก็ไม่ได้สวดพระชีนเจ้าก็มิได้รับสั่งว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดไรสารนคมเขาก็ไม่ได้รับแต่อุปสรประทากกรรมของบุคคล น, นั้นไม่เสียปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว บุคคลผู้โง่เขลาข่าสตรีซึ่งมิใช่มารดาและข่าบุรุษซึ่งมิใช่บิดาข่าบุคคลผู้มิใช่อริยะแต่ต้องอนันตริยกรรมเพราะโทษนั้นปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วบุคคลผู้โง่เขลาข่าสตรีผู้เป็นมารดาและข่าบุรุษผู้เป็นบิดา ครั้นฆ่ามารดาบิดาแล้วไม่ต้องอนันตริยกรรมเพราะโทษนั้นปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุไม่โจทย์ไม่สอบสวนแล้วทำกรรมแก่บุคคลผู้อยู่รับหลังและกรรมที่ทำแล้วเป็นอันธรรมชอบแล้วทั้งการกะส่งก็ไม่ต้องอาบัต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 ไม่ต้องอาบัตก uhm? ็มีภิกษุปกปิดต้องอาบัตก็มีไม่ต้องอาบัตก็มีปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุพูดจริงต้องอาบัตหนักพูดเท็จต้องอาบัตเบาพูดเท็จต้องอาบัตหนักและพูดจริงต้องอาบัตเบาปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว